สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีวษิบิดานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยสิบเจ็ดอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่เก้าสิบสองขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับสามสี่วันที่ผ่านมานี้นะครับผมได้แบ่งปันเกี่ยวกับความจริงสี่ประการในเรื่องการที่เราจะพ้นจากซึ่งชั่วร้ายหรือพ้นจากอานาจมืดอินยันชั่ว พ้นจากมารซาตานซึ่งเป็นศัตรูของเรานั้นมีอยู่สี่ประการประการแรกก็คือว่าเราจะต้องยอมรับเสียก่อ น, นครับว่ามารซาตานนั้นมันมีจริงและเราต้องยอมรับว่ามันมีฤทธิอำนาจนะครับพลังของมันนะครับเหนือเราอยู่ประการที่สองก็คือว่ามารร้ายนะครับมันจ้องที่จะทําร้ายเรานานมานรร้ายมันจ้องที่จะเป็นศัตรูกับเรา ตลอดเวลาการที่สามครับเราจะต้องพึ่งพระเจ้าและเราต้องตระหนักประจักษ์ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้ที่ปลดปล่อยเราได้ทําให้เราทั้งหลายมีชัยชนะได้ชัยชนะของเรานั้นอยู่ที่การพึ่งพาพระเจ้านะครับและประเด็นสุดท้ายซึ่งจะกล่าวในวันนี้ก็คือเราสามารถใช้ธรรมปิิหานของพระเยซูเพื่อการปลดปล่อยได้พี่น้องครับในเช้าวันนี้ประเด็นที่สี่นั้น ก็จะมีพระคมภีร์อยู่ทั้งหมด8ตอนด้วยกันนะครับแต่เราจะมาดูก่อนครับว่าเราสามารถใช้คำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อรับการปลดปล่อยได้อย่างไรสิ่งสําคัญก็คือว่าพระเยซูนั้นสอนให้เราอาธิษฐานให้พ้นจากซุ่งชั่วร้ายให้เราที่จะมีชัยชนะเหนือการทดลองทดสอบและการล่อลวงทั้งหลายของมารซาส า, า น, นั้นพระเยซูทรงทราบว่าเมื่อมนุษย์ จะต้องเข้าสู่การชนลองนั้นมันเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสแต่ในที่สุดพระเจ้าสามารถประทานทางออกพระเจ้าประทานชัยชนะได้หมายความว่าพระเจ้านั้นทรงมีน้ำพัดไทยทรงมีความปรารถนาที่จะให้เราสอบผ่านครับและด้วยเหตุผลประการนี้เองนะครับในประเด็นนี้เราสามารถใช้คำอธิษฐานของพระเยซูที่สอนเรานั้นที่จะได้รับชัยชนะได้รับการปลดปล่อยได้ มีสี่หลักการตรงนี้ด้วยกันครับในวันนี้และสี่หลักการนี้แต่และหลักการนั้นก็มีพระคัมภีร์สนับสนุนอยู่สองข้อด้วยกันนะครับขอพี่น้องที่จะตั้งใจฟังนะครับหลักการแรกก็คือว่าหลักการยอมรับความจริงเกี่ยวกับศัตรูของเราว่ามันมีพลังมีอํานาจมีฤทธิ์เหนือเราทางด้านกายภาพพี่น้องครับที่เสียเสียนนั้น มักพึ่งกําลังฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายกายของเราเพื่อช่วยตัวเองให้พ้นจากมารซาตานแต่มันเป็นไปนไม่ได้ครับไม่มีทางที่เราจะพึ่งกําลังฝ่ายกายของเราเพื่อช่วยตัวเองจากมารซาตานได้แม้ว่าพระเยซูนั้นทรงใหญ่กว่ามานพี่น้องครับเพราะเจ้าน้าของพระเจ้าที่จะมอบให้กับพี่น้องตอนแรกก็คืออยู่ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อที่สี่ ลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกโรดฟังอีกครั้งครับลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี่คือข้อควาที่แรกนะครับ ข้อพระคัมภี์ที่สองนั้นอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สามสิบเอ็ดข้อสิบสองและสิบสามเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สาสิบเอดข้อสิบสองสิบสามจงเรียกประชาชนให้มาชุมนุมกันทั้งชายและหญิงและเด็กทั้งคนต่างด้าในเมืองของท่านเพื่อให้เขาได้ยินและเรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเยโฮ ว, วาห์พระเจ้าของท่านและให้ระวังที่จะกระทําตามถ้อยคําทั้งสิ้นของธรรมบัญญัตินี้ และเพื่อบุตรหลานท่านทั้งหลายผู้ยังไม่ทราบจะได้ยินและเรียนรู้ที่ยำเกรงพระเยาววาพระเจ้าของท่านราบเท่าเวลาซึ่งท่านอยู่ในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะยกข้ามแม่น้ำจอแดนไปลึิครองนั้นพี่น้องครับนี่คือประเด็นแรกก็คือว่าเราจะต้องยอมรับครับว่าศัตรูของเรานั้นมีกาลังเยอะครับเราจะต้อง พึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าพึ่งในพระเยซูเราต้องรู้ว่าผู้ที่อยู่ในเรานั้นก็เป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกผู้ที่อยู่ในเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่อยู่ในโลกก็คือมารซาตานน้องรับชัยชนะของเรามาจากมารซาตานแ ต, แต่เราต้องยอมรับว่ามันมีกำลังเหนือเราครับถ้าทีมฟุตบอล น, นะครับที่เก่งและมีความมั่นใจเกินไปอาจแพ้ได้ อาจแพ้ทีมไหนครับอาจแพ้ทีมที่ย่อยกว่าได้นะครับความมั่นใจเกินไปทําให้ทีมเล่นอย่างไม่ตั้งใจประมาทปล่อยให้ไฟตรงข้ามนั้นทําสิ่งที่ปกติจะทําไม่ได้นะครับคนที่ชนานาญป่านะครับเขาก็จะไม่กลัวงูแต่เขาจะ ย, ยอมรับว่างูนั้นสามารถทําให้เขาตายได้และไม่ทําให้ตัวเองนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงหรือตกอยู่ในอันตราย เราจะต้องระมัดระวังต้องรู้วิธีการจัดการกับงูนั้นและรู้วิธีหลีกเลี่ยงการถูกกัดคน้ครับเราไม่กลัวมานนะครับเรายำเกรงพระเจ้าเราเชื่อฝังพระเจ้ า, า, จาในการเชื่อฝังการเรียนรู้ธรรมบัญญัติและถ้อยคําของธรรมบัญญัติหมายความว่าเพราะชนะของพระเจ้านั่นเองนั้นก็จะทําให้เราจะมีไทยช น, นะนะครับเราจะ อยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าให้กับเราในโลกนี้ได้พี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ถือจุดหมายชีวิตของเราอยู่ในพระหาตถของพระองค์แต่เรานั้นจะต้องยอมรับเล่ห์เหลี่ยมและกลอุบายของมารมากพอที่จะหลีกเลี่ยงมันได้ที่จะเอาชนะมันได้ในที่สุดนี่คือหลักของการยอมรับศัตรูของเรานะครับ หลักที่สองครับก็คือหลักการเอาตัวออกหา่างเห็นไหมครับสุภาษิตคนไทยของเรานั้นก็คล้ายคล้ายกับสุภาษิตฝรั่งครับผมจะขอยกสุภาษิตฝรั่งก่อนนะครับสุภาษิตฝรั่งบอกว่าแอปเปิลนั่งเน่าผลเดียวนั้นทําให้แอปเปิลทั้งตสา้าเน่าหมดพี่น้องลองคิดนะครับว่าสุภาษิตไทยเราก็มีใช่ไหมครับปลาเน่าตัวเดียวทําให้ปลาเหม็นหมดทั้งคลองนะครับแล้วก็ยังมีคําสอน ที่ตกทอดมาก็คือว่าคบคนพานคนทานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล น, นี่แสดงว่าอะไรครับนี่แสดงว่าเราจะต้องเซปเปเรตหมายความว่าแยกตัวของเรานะครับออกจากความชั่วร้ายออกจากโลกนี้เราต้องอยู่ในโลกนี้แบบไม่เป็นของโลกนะครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนที่ฉลาดนะครับจะรู้หลักการข อ, ของการเอาตัวออกหา่างหลักการของการหนีครับ หลักการของการไม่คล้องแวกไม่คล้องเกี่ยวกับมารซาตาลและสมุนของมันพี่น้องครับคริสเตียนที่ฉลาดจะประเมินชีวิตของเขาและหลีกเลี่ยงด้านที่เขาถูกทดลองมากที่สุดโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับคริสเตียนที่ฉลาดนั้นจะประเมินชีวิตของเขาและรู้นะครับรู้ว่าจุดอ่อนเขาอยู่ที่ไหน เขาเฉลี่ยเลี่ยงด้านที่เขาถูกชนหลอกมากที่ครับหมายความว่าครับหมายความว่าการเป็นเคลสเดียนนั้นเราจะต้องทําสวอตนะครับทําสวอตชีวิตของเราตรงไหนที่เป็นจุดแข็งสเตรนจ์ strength. ตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนวิกเนสนะครับตรงไหนที่เป็นโอกาสที่เราจะมีชัยชนะ o p portunity โอกาสที่จะพัฒนาเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับและอันไหนถึงจะเป็นภาวะคุกคามที่มีต่อชีวิตของเรานะครับ ภาวะที่เราจะต้องเสี่ยงภาวะที่เราจะต้องหลีกหนีเสยพี่น้องครับข้อความทีสองข้อที่จะฝากให้ในคราว น, นี้สําหรับหลักการของการหนีหลักการของการแยกตัวหลักการของการเอาตัวห่างนะครับก็คืออาจา ร, รย์เปาโลหรืออาคารุตเปาโลนั้นได้เตือนเราครับว่าในหนึ่งเทสุนกาบทที่ห้าข้อที่ยี่สองหนึ่งเทสุกาบทที่ห้าข้อทยี่สองกล่าวว่า จงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่างเห็นไหมครับพี่น้องครับเราจะต้องเว้นนะครับหรือต้องผ่านข้ามไปนะครับผ่านข้ามไปเว้นจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่างนะครับในหนึ่งทิโมธีบทที่หกข้อสิบเอ็ดอัคราชุตเปาโลก็ยังกล่าวเหมือนกันครับจงหลีกหนีเสียจากสิ่งชั่วร้ายพี่น้องครับจงหลีกหนีเสียจากสิ่งชั่วรา้ายอยากจะจบวันนี้ด้วยเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับ มีเด็กคนหนึ่งนะครับเขากลับมาจากสนามหญ้าหน้าบ้านเข้าบ้านอยู่ก็บอกกับคุณพ่อบอกว่าเขาบอกด้วยความภาคภูมิใจนะครับบอกว่าผมชนะงูตัวนึงวันนี้พ่อก็แปลกใจมากนะครับและอยากจะรู้ว่าวิธีชนะงูหรือขจัดงูออกจากบ้านหรือออกจากสนามมันทายัางไงนะครับคุณพ่อก็เลยถามลูกชายว่าหนูลูกตี งูด้วยไม้หรือก้อนหินละ่ะเด็กคนนั้นอธิบายนี้ครับเขาบอกว่าผมวิ่งชนะงูครับพี่น้องครับเราไม่ควรพยายามโจมตีมารร้ายครับเพราะเราจริงๆแล้วด้วยกำลังของเราไม่มีสิทธิชนะมันหรือเราอย่าพยายามที่จะเท่าต่อสู้นะจู่โจมรวมรั่นกับอำนาจชั่วร้ายนะครับ ที่จริงแล้วมีผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนเท่านั้นครับที่รู้วิธีเผชิญกับมารร้ายในสงครามฝ่ายวิญญาณแต่เราไม่ใช่ครับบุตรของพระเจ้าโดยทั่วไปไม่ควรทําอย่างนั้นโดยไม่มีการอบรมหรือทําด้วยความพึกเขิมนะครับอย่าทําอย่างนั้นเด็ดขาดเราจะต้องใช้สติปัญญานะครับเราจะต้องน้อมใจยอมฟังพระเจ้าต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปอันนี้เป็นสาระของวันพรุ่งนี้ขาพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน ที่จะมีชีวิตเหนือนะครับมีชัยชนะต่อมารสาสานและสมุนของมันตลอดจนอำนาจของวิญญาณชั่วอำนาจชั่วร้ายทั้งหลายอาเบน